ยินได้ฟังเอาไว้เป็นการศึกษาให้ว่าสุดตะมัยปัญญาปัญญาได้เกิดขึ้นได้จากการได้ยินได้ฟังฟังแล้วออกไปทําแต่ฟังแล้ ว, ล ว, ลวจํามันได้ของปลอมถ้าจำเอาดาฟังแล้วไปทำํำมาได้ของจริงเห็น บอกว่าสติความเลือกได้นะสมปัญญาความรู้ตัวเราก็จําเอาสติความเลือกได้สมปัญญาความรู้ตัวน่ะมีคนถามสติคืออะไรเราก็ตอบได้สติคือความเลือกได้สมปัญญะคือความรู้ตัวนี่ก็ได้ของโปลอบเป็นภาษานุกเขี้ยนกขนทองพูดได้อะไรก็ตาม แต่ก็ดีดีกว่าไม่จำไม่เคยได้ยินแต่ถ้าเราฟังแล้วเอาไปทำโอสติคืออย่างนี้อย่างนี้ก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดรู้สึกระลึกได้กที่พูดที่ทำที่คิดอยู่รู้ตัว อะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องเรื่องความคิดเรื่องการพูดเรื่องการทำเปลี่ยนให้เป็นเรื่องถูกต้องเรียกว่าสัมปชัญญะมันก็ใช่ได้เรียกว่าศึกษาออกไปทํารอมันเป็นอย่างนี้นี่คือสตินี่คือสัมปชัญญะมันใช่ได้กับชีวิตเราจริงจริงนี่เรยกว่าสุตะไม่ปัญญา ได้เกิดปัญญาได้ยินแล้วมาเป็นปัญญาถ้าได้ยินได้ฟังแล้วไม่เกิดปัญญามันก็ไม่ใช่ศึกษากินตม่ยปัญญาปัญญาเกิดจากการขบเคี้ยว เ, เย็เยะไม่ใช่ซื่อบื้อทำตามกันไปไม่ใช่อย่างนั้น อะไรผิดอะไรถูกก็เขี่ยววันวเราเคี่ยวอาหารกืนลงไปในลำคอเคี่ยวดูถ้ามีก้างมีดูมีขี้ดินขี้หินก็อาออกให้คืนแต่ข้าวให้คืนแต่อาหารอันนี้มันธรรมชาติมันบอกแต่ว่า ความคิดของคนเหล่านี้ถ้าไม่ขบไปเชี่ยวมันเอาหมดเพไม่ถูกต้องคิดอะไรก็พูดไปทําอะไรก็พูดไปแต่อวามคิดโกดก็โกดตามความคิดความคิดแล้ว ก, ก็ลักไปตามความคิดไม่ขบไม่เชี่ยวแล้ก็เป็นโทษเป็นภัยก็มีจริง ศึกษาถลุงให้ได้เนื้อให้ได้ประโยชน์จากความคิดคิดมีสองความคิดตั้งใจคิดนี่แหละคือจินตะมายปัญญาอ่านถ้ามันลักคิดนั่นเรียกว่าสังขารสมทุทัยเป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาตัวรักคิดเป็นสังขารเราไม่ได้ใช่มันมันใช่เรา มีจมีใจเอาไปรับใช้ความคิดสังขารสมุทยัยเมื่อไรใช่เกิดประโยชน์เรียกว่าจินตไม่ปัญญาไม่อันสูงสดดุดเรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการกระทำความก้มดีภาวนาคือทําดีขยันทําความดีเปลี่ยนความร้ายเป็นความดี เปลี่ยนความผิดเป็นความดีเปลี่ยนความถูกเป็นความดีเปลี่ยนหลงเป็นความรู้หรือว่าภาวนาเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้หรือว่าภาวนาเปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้หรือว่าภาวนาภาวนาคือขยันทําดีถ้ามันไม่มีอะไรก็มีความรู้จึกตัวไปนี่เรียกว่าภาวนาเป็นปัญญาอันสูงสุด แล้วก็มีการบ้านแบบนี้ไม่ใช่ไม่ศึกษาอะไรการบ้านของเราคือธุระธุละของเราเนี่ยถ้าเราเป็นนักบวชออกจากเดินไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนจะเป็นเพศนักบวชจะไม่เป็นเพศนักบวชแต่จิตใจก็เป็นเรียกว่าปวัชชะ ออกไปจากความชั่วไปสู่ความดีบวชทางจิตใจไม่ได้บวชทางกายนองห่มผ้ากาวเสาพัดก็บวชทางจิตใจเล่นความชั่วไปสู่ความดีธุระของเรามีสองอย่างต้องรับอย่าปล่อยปะละเลยธุระของเราสองอย่างคือคันตาธุระอย่างศึกษาเนี่ย การถ่ายทล่นะศึกษาคือได้ยินได้ฟังเอามาคุมมาคิดเอามา ก, มาามากะระทำหรือว่าสุดตอไม่จะปัญญาจินตตบมยะปัญญ า, า, า, าปัญญามยะปัญญาใหา ไ, ได้ปัญญาทั้งสมอย่างเอามาสร้างปัญญาก็มีสติสมชัญญะแล้วก็เป็นการละความชั่วทำความดีสุดตอมยปัญญาหรือว่า คันธัุละเรามาสวดมงต์สาทยายนี่เป็นคันธัตุละอห น, นังสือตำรับตำลาเป็นคันธัตุละเรียนรู้เรื่องประวัตพิพระเจ้ากูัตาเรื่มใสเรว่างคันธัตุละทุกคนที่เป็นพุทธศาสน์ทั่วโลกพวกเราก็อิจฉาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธศาสนาจนถึง อ, อกบวช การออกบวชเช่นนี้มีจิวิญยันแต่เราเกิดพ่อแม่ให้เกิดลูกชายเกิดลูกสาวก็ต้องใจให้เป็นคนดีสิ่งที่เป็นคนดีคือศีลคือธรรมหลักคำสอนจนเราได้เสริมสาราบไว้ในจิตใจบางทีก็ชิดขึ้นมาเอง เานี่อายุปานนี่แล้วน่าจะบวชตอบแทนบนคนพ่อแม่เวลานี่อายุปานนี่แล้วน่าจะบวชการศึกษาถ้าพูดถึงการค้นขวยเรื่องนี้พุทธศาสนาทั่วโลกประเทศที่เบตนี่เจ๋งที่สุดในโลกค้นขวยเรื่องนี้เรื่องการบวชแต่ละปีคนที่เบตเนี่ยจะต้องออกบวชทุกปี ถ้าพ่อไม่บวชก็ต้องแม่บวชถ้าแม่ไม่บวชลูกสาวต้องบวชถ้าลูกสาวไม่บวชลูกชายต้องบวชรือถือดูดูบวชบวชแล้วก็เต็มอยู่แถวสังเวชนิสถานมีแต่คนที่เบ็ดเหลืองเต็มไปหมดเลยทั้งนูกบวชหญิงทั้งละบวชชายไม่รู้เขาได้เงินเลยทรมารจากไหน หลือก็เดินเราก็ไม่รู้จากที่เบตรตินเดียนะตเต็มไปหมดเลยมีแต่คนที่เบตในพุทธคยาเนี่ยจนไม่มีที่ไปตรงไหนก็มีแต่คนที่เบตยึดพื้นที่เสียงสวดมนในพุทธคยามีแต่เสียงคนที่เบตแล้วก็ไหววิธีไหวของเงย์ยืนไหวนะแล้วก็เวียนเทียนทับปักสิน ยืนขึ้นแล้วมีกระดานผ่าลเมเปิ้ลลงไปหน้าผากจุดพื้นไปมือฝ่ามือมลุกขึ้นยืนขึ้นเป็นร้อยพันพันครั้งเรากราบสามทีก็เกือบใชไม่ไหวแล้วบอกให้ทำหลังเดนก็มาอยากทำแปบบนะลงขี้เกียร์บอกว่าเมเปลองเป็นจงางแค่ปฏิบิตรเป็นจงางแค่ปฏิบิตรคือ อันเฉลี่ยันทายกงอกแม่มือใส่รอยจำงอหัวนิ้วนิ้วชี้จดระหว่างคิว้วแลววันทาอาภิวาสกาบลงไปแบมือออกเอาหัวแม่ ม, มือจดชิ้วหมอบลงให้จุชิ้วอย่าไปทําแบบนี้ทําแบบนี้มันกาบศกแบมือออก อ้อมลงว่แม่มือจดคิ้วพุโทโธเมนาโถเหนื่อยขึ้นพอกลับลงก็ปองงวนแม่มือจดคิ้วพุโทโธเมนาโถว่านให้ใจหาขึ้นมามื่อแต่เขายกขึ้นมาหน้าอกอันเฉลีวันทาอภิวาสแลว้ววาก้นนี่ให้จดนอ้องอยาให้ก้นเงืง่งหมือนกับ สองกบตัวนี้ไม่ใช่กัเดเอ็นหลังเอ็นที่เบตเว็นลอยๆครับ ย, ยืนขึ้นแล้วก็เมลงไปจริงจริ ง, รงคนที่เบตเขามีศรัทธาอันดับหนึ่งของโลกพุทธศาสนาที่มีศรัทธาสูงสุดคือคนที่เบตดผมประเมินจากการไปสังเวยเชนสถานที่เบ็ดอันดับหนึ่งของโลกไปมากที่สุดต่อมาศีลังกา ประเทศไทยอันดับที่สี่ทั้งๆที่เป็นประเทศพุทธศาสนาเก้าสิเปอร์ซแต่เพียงเป็นอันดับที่สี่ที่ขนขวยเรื่องพระพุทธศาสน า, า, าเนี่ยแต่มีเปอร์เซนต์เอาเปอร์เซ็นต์สามโนโครวัวเฉยๆอะไรกันกระทําะไรสู้คนที่เป็นปบัดฑะเพราะนั้นแนี่เราก็มีศรัทธาบ่าววดแล้ววัดแล้วก็เอาธุระพันธะธุระศึกษา ส่วนมวลธรรมวัดภาวนาทำตรงตรงต้องใ จ, ใจเจริญสตินี่รู้สึกตัวพระเจ้ากระตัสลู่นี่ทำอย่างนี้แล้วก็ตามรอยของพระเจ้าองค์ทําอย่างนี้ไม่มีหนังสือตำราเรียนเอากายเป็นตำราเอาใจเป็นตําราต้องใจเรียนเรียนจากตัวเองเห็นความคิดเห็นความหลง คิดเป็นไหนคิดถึงเพียมพาราหุนกลับมารู้สึกตัวคิดถึงประชาทราชวังกลับมารู้สึกตัวคิดถึงเสาสนมกำนันไนกลับมารู้สึกตัวคิดถึงพระราชทรัพย์สินเสลิงการกลับมารู้สึกตัวคิดถึงพระเจ้าจากักรพรรดิที่จะอยู่ในกำมือมจจกลับมารู้สึกตัวเรากลับมาบวอยกลับมาบวอยก็ คำผัดความรู้ความหลงด้วยทิศได้ทางได้กระแสมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่ใดในความรูข้ของหลงตรนนี้ต้องใจเข้าไปจนได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็ทำตามรอยตรงนี้ษาไปอย่าทดทิ้งเอาทุเะให้ได้อย่างางให้มันติด เมื่เราท่องหนังสือเรารวมหนังสือเราเราท่องบ่อยๆมันก็ติดปากติดตาด้วยเขียนถูกด้วยจนติดปากเพราตอนติดปากเรามันก็มันก็ท่องติดให้การติดความรู้สึกตัวมันติดถ้ามันติดความหลงก็ติดถ้าประหัตอย่างไรอวิชจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นของต่อเนื่องเป็นของติดอัด ถ้าเราไม่สอนตนเองติดความชั่วติดกิเลิตัณหาเป็นจริตนิสัยได้ลาข่าจริตชิดแต่เรื่องลูบรุดกินเสียงการเล่นโมเมาเปิดเปิินในกลาง ม, มาคุณหรือที่ย้อนยอกโน่นหยกนี้นก็ติดไปแบบนั้นหีว่าลาค่าจริตบุ้งๆแต่งๆยินดียินเลยโตสาจริต ติดความโกรธง่ายอะไรก็ออกหน้าออกตาความโกรธความทุกข์เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าอารมณ์โสดจะหลุดเป็นจะิลุเป็นอย่างนั้นอาจจะดีสักว่างาสักซาลงนิดหน่อยหมบองุ่นอยู่กับความคิดเลร้อนจิตใจโทสดจะิลุดโสดเราไม่พอร้อยกาดด้วยทําทลายอะไรได้ทำลายตัวองละ โสะไม่อยู่จงโสดะแล่าเดียวมันล้าอยกะศออกไปทำลายตัวเองทำลายคนอื่นจริงวัตถุอื่นฆ่ากันฆ่าตัวเองต่างฆ่าคนอื่นทำอะไรก็ได้หาความปรานีเมตากันนิดหน่อยไไห ม, มเมื่อมันเป็นจริตแล้วโง่หาจริตหลงเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนมืดบอดอะไรก็ยินดีอะไรก็พอใจ ไม่พอใจพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจความเป็นกลางไม่มีะ ไ, ไม่มีสติสตังอะไรไปขวจัดกินดีให้จัดกินละอารมณ์บวกลบอารมณ์ของคนมีบวกไปลบอ่บวกก็พอใจลบก็ไม่พอใจของอย่างเดียวสมมติพอใจของอย่างเดียวสมมุติไม่พอใจ อันดีต้องทิ้งลูกทิ้งเนี่ยทิ้งคนเราทิ้งเพื่อนทิ้งการทิ้งงานเกี่ยวกันดีๆมีอะไรนี่โดยทะเลาะกันนะให้อารมณ์เป็นใหญ่เรียกว่าโมหะจริตความที่จะพ้อยตามอารมณ์อารมณ์มาอก็เอาอะไถ้ากูได้โกรธแล้วกูเลยไม่ลืมพอใจในความโกรธเรียกว่าโมหะจริตไม่รู้ว่าความโกรธมันคืออะไรไม่มองไม่เห็นตัวเอง นึกว่าเราโกรธนึกว่าเราทุกข์นึกว่าเราดีเราเด่นอะไรต่างๆแสดงออกได้ไม่อาจเล่าให้คนเห็นสุบกุรีให้คนเห็นโกรธให้คนเห็นแล้วก็ปเป็นจริญได้ถ้าเราไม่สอนถ้าเราไม่สอนตัวเองจะดีเดี่ยมันจะไปเป็นกรรมเป็นวิบากของคนงนั่นตลอดชาติและอีกชาติเท่าเลยมาลงมันจึง เชื้อชาติเหรแล้วเราไปศึกษาทิงเหล่านี้มาไม่ใช่มันไม่ควรที่จะเป็นจริตแบบนันมันเป็นพุทธจริตรู้ตื่นเบิกบานคิดจริงใดประกอบด้วยเมตตาทำจริงใดประกอบด้วยเมตตาอู้จริงใดประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรหลังทุกคนไม่มีความรับมีแต่ตัวเองที่เห็นตัวเองถ้าหลอกคกนอื่นมันอาจจะหลอกได้ถ้าหลอกตัวเองเนี่ยหลอกไม่ได้เทิดเราเห็นตัวเอง ศึกษาบ่าเราอย่างนั้นก็เราเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธมาศึกษามาเรียนรู้มาสัมผัสให้ได้กระจักกับสิ่งที่ถูกต้องหองอหลวน้อยก็ไปพูดเน่อพ่อแม่ฟังถ้าพูดไหมแม่จ๋าพ่อจ๋าลูกสาวของแม่ก่อนนี้รับรองไม่ชั่วละแม่เอ้ยบ่เอ้ ให้พ่อแม่เลยสบายใจลูกสาวของแม่ก็ได้ไม่ชั่วเด็ดขาดแล้วคุ้มค่าที่แม่เลี้ยงมาหรือว่าตอบแทนค่าน้านมไม่ทำให้แม่เสียเลือดในอกพูดจักทีไหมก็กดเพราะเหตุที่พูดเรื่องนี้อะแม่หลอกแม่หลอกหรอกเกี่ยวกังานมาทันศาที่สอปอกวันสารปับไม่คนน้องซื้อด่วนมาก ส่งที่อำเภอเชียงคานไปอยู่อำเภอเชียงคานคนเดียวอยู่เขาบ้า น, นของพ่อเทียนจนหมายด่วนไปส่งให้พออ่านวแบบ่าเขาบอกว่าถ้าอ่านจนหมายเเสร็จแล้วให้รีบกลับบ้านแม่ไม่สบายกอลงเขาเหมอโอยเดินมาเชียงคานไม่มีรถตั้งยี่สิบกิโลสิบกว่ากิโลเดิมาขึ้นรถถึงบ้านขึ้นไปบ้านแม่นั่งอยู่ ไม่เห็นป่วยเลแม่ก็ยกมาว่าอยากให้แม่เป็นบาปนะเอาก็นั่งลงแม่ไม่เป็นไรลกสบายยดีอยู่เทไปทำไมสองปีไม่กลับบ้านไม่รู้พ่เอเตียงมีแม่หรือไม่คิดถึงแม่ก็ตามเต่ใแม่ต้องคิดถึงลูกตลอดเวลาใช่ไหมทำไมไปย่า ง, งไงให้ลู่เตียงมีแม่าะ ไม่คิดถึงแม่ไม่เป็นไรแต่แม่ต้องคิดถึงลูกแม่ลูกของแม่เป็นพระลูกของแม่เจ็ดคนไม่ลูกเป็นพระลูกคนหนึง่งไม่ชัว่วหรอกแม่ลูกชายของแม่คนนี้ไม่ชัว่วดีกาไม่ชัวว่วกวาตงเป็นพระก่อตามแต่ต้องคิดถึงอย่างน้อยต้องให้ลูกบงังอยู่ที่ใดให้ข่าวข่าวกันมางขอร้องก็ให้ข่าวกันบ้างไอ้นั่นเนี่ยไปพูดว่า ไปสวนแม่บ้างหือไปพูดโอ้ยแม่โอ้ยลําบากไปอยู่วัดป่าสุโกโตลำบากลำบากจริงจริงแม่ไม่รู้จะทนได้ไหมก็แม่มาเยี่ยมหน้าบูดหน้าเบึง่งเศร้าซอยงอยเหงาแม่ก็ใจเหี่ยวโอ้ยลูกชายของฉันเป็นน้องทาไมไม่สู้ลูกน้องแทนที่จะแม่ชื่นใจแม่ก็เศร้าแสดงฝวกบ่อนเด้อไม่จัดเราต้องเข้มแข็ง เราต้องเชียมแผงเพื่อสร้างความดีไม่เป็นหลักดีให้มันยากลงไปให้มันทุกข์ลงไปลำบากลงไปเวลานี้มีกรรมการมหาเทระจามคมจะช่วยพระสุบรุรีให้เลิกบรุรีมีหอนชนิดหนึ่งเราปิดกันมาบริษัทปิดหอนขึ้นมาออกตั้งสือถแถลงการคณะกรสมกจะแกคอนถวายพระ สูบบุหรี่ใครจะว่าจะไปรับมาให้เลิกเหนได้เลิกสูบบุหรี่เห้นไดไม่มีประโยชน์เลยเลยเดี๋ยวนี้ก็มีติดทั่วโลกทั่วประเทศในวัดวาลาเป็นเขตปลอดบรี่ปอดเราเราพาิ่งจะมาสูบบุหรี่นีมันใช้ได้ยังไงเพราะนั้นใครสูบบุหรี่ก็ต้องหยุดไม่ต้องสูบกินมากก็หยุดไม่ต้องกินมากมีไหมว่าหรอ ฮ <laughs> น, นี่ให้เข้มแข็งเอาคนละอันความดีความชั่วนะเราจะพยายามละความชั่วเราจะพยายามทำความดีมันก็ทำได้มันคิดขึ้นมาไม่ต้องคิดไปหลกหยุดโทษสักสัาน์แลมาบอกกับไม่ออกทำรู้จักตัวสอนตนไม่ีโอกาสสอนตลอดเวตัวเรานะ่ะ ไม่เข้มแขงไม่มีศรัทธาไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรเพียรละกิเลส ท, ที่เกิดกันแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็นละบาดรุ่ยรนที่มีแล้วไม่มีเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้มีขึ้นเพียรสร้างสุขสนที่มีขึ้นแล้วให้เจริญมากขึ้นนอมเจริญมาตั้งเนี่ย น, นั่นทำได้ปฏิบัติได้ดังที่เราชจด สังฆาโตภกวตาธรรมโอภธรมเป็นธรรมบานพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไอยดีแล้วสอนทิทธิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาเลยปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ควรโน้มก็มเอายตัวมันเป็นวิทยาศาสตร์พระธรรมเนี่ยเ่าไปโทษจิงเวลาใรมันหลงไม่ลงก็ได้เวลาไรมันทุก ไม่ทุกข์ก็ได้เวลาใดมันโกรธไม่โกรธก็ได้ที่สติเนี่ยจะไปทำไมพวกเราด้นรุนอยู่ที่นี่อย่าไปแย่งเอาการงานนี้หน้าที่กันมาใช่ไห ม, ไมแต่มีศรัทธาแม่ลงทานทำอาหารร้านข้าวให้พอจใจทาน้าพริกยิ้มแย้มรจ่มใสได้ไหมหรือไตามน้ำพริอาาพกอุย้ยลำบากกรรมยากเหลือเกิน ตำพริกก็ไม่อร่อยไม่แฉบเพ้เผ็ดบางคนตำพริกเผ็ดมากเพราะอะไรไม่มีน้ำใจเลยเหียดเหี้ยนแ้บางคนตำน้ำพริกนี่แฉะเจบอหาก็แฉะมีน้าใจใส่น้ำใจลงไปเหมือนแม่ทำอาหารให้ลูกกินอ่าบางคนกินอาหารจากคนอื่นไม่อร่อยต้องกินอาหารจากแม่อย่างพระลูกหนึ่งที่อยู่เทวสถิตมาบวชที่นี่ คิดถึงแม่เพราะกินอาหานไม่เหมือนแม่ทำไอีกคนหนึ่งไว้าจากสารัตเป็นลูกหมอเป็นหมอเป็นคนไทยแม่ก็เป็นคนไทยพ่อก็เป็นคนไทยเป็นหมอทังกูไปอยู่สารัตเอาลูกชายมาปวดปเป็นเนนที่นี่แต่เนนเนี่เพื่อภาษาไทยไม่ค็ยได้ต้องคนทัชชานมาอยู่ช่วยดูเลยเอาลูกมาปวดที่นี่คิดถึงแม่คิดถึงอะไร คิดถึงอาหารที่แม่ทำมาอาหารใครทํำมาดูว่าแซ่บแทําแม่ทํำยังไงก็ทําวันนี้ทำไหมทําเหมือนแม่เราเขยังไม่แซ่บเหมือนแม่ทำํำมาเย็นเพราะน้าใจแม่ไม่ใช่อาหารเอามาทําที่แม่ให้สูตรมา ก, ก็เขียนจดหมายไปแล้วคุณทํามาในลูกคนณกินไงเขียนจดหมายไปถามแม่เขาก็บอกสูตรมาเขียนเนาะเราก็มาทานะแเรวก็ทําเหมือนแม่เขาบอก มันก็ยังบอกว่าไม่แชบอยเพราะอะไรพราะน้ำใจใส่ลงไปแม่รักลูกนี่ยขงใจปกหงารโลเ ก, กนนะแน่ลองทานลองลำงจกแจกเยนอาหารเนะพราะมีน้ำใจอย่าไปคิดยุ่งยากช่วยช่วยกันเนดะ้อหลวงตาก็ต้องเอาใจพวกเราทุกคนน้ำพึ่งเหลือสเสือพึ่งป่า สิ่งที่เรารวมกันคือสร้างความดีคือสร้างบุญกุศลสร้างมากกว่ น, นิพานยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเจงนั้นทํำอะไรก็ตามมุ่งมาช่จยๆนี่ให้มีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวคิดช่วยกันอย่างนี้เผื่อกันนะนีเป็นสิ่งเวทล่องไว้โตกันนะ้วก็อย่าเบียดเบียนกันอย่าทะเลาะว่ากันอย่าขัดแย้งตัวเอง คิดง่ายๆคิดถูกถูกคิดเ่าเบาอย่าไปคิดให้ตัวหนักเบียดเบียนตนเองก็เป็นบาปคิดขึ้นมาเบียดเบียนตนเองให้เป็นทุกข์เป็นบาปเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นบาปจริงเดินก็เป็นบาปอย่าทำชั่วอย่าพูดชั่วอย่าคิดชั่วให้มีสติสัมปชัญญะคุณค่าของสติสัมปชัญญะคืออะไร ไม่ด่วนรับไม่ด่วนไปเฉิเป็นกลางไม่ด่วนยินดีไม่ด่วนยินร้อยมีความเป็นกลางนี่เรียกว่าสติสติจริงๆไม่ด่วนับไม่ด่วนไปเฉิดเป็นกลางเป็นกลางกลางไม่บวกไม่ลบเป็นกลางความเป็นกลางตรงนี้เป็นธรรมพินอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวเป็นกลางไม่บิงเข้าไปสู่ความบัวใจ ไม่บินเข้าไปสูว่าไปพอใจเมื่อเป็นกลางเป็นมัจมัจเป็นเป็นทางไปสู่พรกผลผนิพพานก็เป็นกลางน่ะเป็นทางไม่สู่มรรคผลผนิพพานไม่ใช่สุดตรไม่ใช่การมสุกขการนิการโยก อ, อก่อนแอเกันไปอาถาัถฏฐีมัาโยกเข้มแข็งตึงเที่ยงเกินไปทำความวเพียรบางคนเอาจริงเอาจังหน้าดําความเครียดเป็นทุกขะวิปฏิปทาปฏิปัติลาบากลาู ร, ระยะ สุขะปฏิปทาอ่อนแองกันไปบ่นไหวง่ายกันไปขี้เกียจก็หยุดขยันก็ทําให้ความขยันในความขี้เกียจไปต่างไม่ได้ทําด้วยศรัทธาอย่างน้การบรรจุขานังกาโยกอ่อนแ ก, กันว่าก็ไม่บรรลุธําได้ต้องเป็นกลางจะหยุดก็ให้หยุดตัเองไม่ใช่ความคิดผ่าหยุดความเพียรเหนื่อยก็เห็นความเหนื่อยอย่าให้ความเหนื่อยพ่าหยุดความเพียรให้เราอยุดเอง เราจืดของเราเองนอนลงไปสักห น, น่อยยกมือช่างจังหวะใหม่ๆอาจจะปวดต้นแขนปวดต้นคอปวดเอวปวดด้านอกเหมือนจะเจ็บจะกไข้ขันเนื้อคันตัวไม่เป็นลไรก็พักพอ น, นอนเหยียดลงไปพักผ่อนสัหนอยการพักผ่อนไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ล้มห้อยใจรู้สึกตัวรู้สึกตัวโลบโลบไม่อยู่ที่มือแต่รู้สึกตัวนอนลง อย่าไปขี้เกียจอ่ยไม่ไหวไม่ไหวอย่าว่าไม่ไหวว่าไม่ไหวภาษาไทยจับไดงไม่ต้องใช่ไหกไม่เป็นไรเลยทีเดียวไปแทนกาว่าไม่ไหวไม่เป็นไรใจมันจะต่างกันนะเพราะว่าไม่ไหวอ่อนแอจริงๆเพราะว่าไม่เป็นไรเข้มแข็ง หัดจิตทันใจตัวเองหัดพี้สัสหัดความคิดเนี่ยเข้าไหมเจอยังไงวันนี้หลวงตาจะเปิดปฏิบัติธรรมที่โคกทองเมื่อคืนก็มีคนโทรมาญาติเข้าห้องไอซีูที่โรงพย า, าบาลเมื่อวานน่ยหลวงตาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้หลวงตาไปจะทันไหมคงทันระว่านะก็จากไปดูกนะัน เดี๋ยวนี้มันเป็นยังงอยากจะดูคนป่วยคนใกล้จะตายพู้ชักรำลังกรรมอยากไปปิดตาให้ถ้าเขาตาอยากไปปิดปากให้เวลาเขาอ้าปากเขาเอามือไปขึ้นไม่ป่วยให้อ้าปากไม่ป่วยเลือด เ, ล, อเลือกเอาปิดตาปิดปาก